ท่านลองพิจารณาดูสิว่าศัจธรรมมีทุกข์สัตย์เป็นต้นที่ปราถนว่าเป็นธรรมะของจริงสุดส่วนนั้นจริงอย่างไรบ้างและจริงอยู่ที่ไหนกันแน่หรือจริงอยู่ที่ความประมาทอ่อนแอดังที่พากันเสริมสร้างอยู่เวลานี้นั่นคือการเสริมสร้างสมุทไทยทับถมจิตใจให้โง่หัวไม่ขึ้นตั้งหากมิได้เป็นทางมาเครื่องนาให้หลุดพ้นแต่อย่างใดเลย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 และการพิจารณาไม่ใช่พระอ่อนแอพระนั่งทับนอนทับสติปัญญาเครื่องมือที่ทันกันกับการแก้กิเลสอยู่เฉยๆผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังหินนั้นปาหัวคนก็แตกทับหัวคนก็ตายได้แต่นำมาทำประโยชน์เช่นเป็นหินลับมีดหรืออะไรอะไรก็ได้ตามแต่คนโง่จะนำมาทำลายสังหารตนหรือคนฉลาด จะนำมาทำเป็นหินลับมีดหรืออื่นๆเพื่อประโยชน์แก่ตนตามต้องการสติปัญญาก็เช่นกันจะนำไปใช้ในทางผิดคิดไรรตรองในทางไม่ชอบฉลาดประกอบอาชีพในทางผิดเช่นฉลาดหาอุบายฉกลักปล้นจี้เขาเร็วยิ่งกว่าลิงจนตามไม่ทันก็ย่อมเกิดโทษเพราะนำสติปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดจะนาสติปัญญามาใช้เป็นการอาชีพในทางที่ถูก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 อางที่ท่านผู้ฉลาดทำได้กันมาแล้วแต่ต้นพุทธกาลจนถึงปัจจุบันคือวันนี้ปัญญาย่อมอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจใครครวนไม่มีทางสิ้นสุดเพราะสติกับปัญญาไม่เคยจนตรอกหลอกตัวเองแต่ไหนแต่ไรมาพอจะทำให้กลัวว่าตนจะมีสติปัญญามากเกินไปจะกลายเป็นคนดีร้านพลาญธรรมประคองตัวไม่รอดและจจมในกลางคัน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 มิได้สอนแบบสุ่มเดาเกาหาที่คันไม่ถูกแต่สอนตามที่รู้ที่เห็นที่เคยเป็นมาไม่สงสัยใครที่อยากพ้นทุกข์แต่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนไม่ยอมพิจารณาผู้นั้นไม่มีวันพ้นทุกข์ไปได้เพราะทางไปนิพพานต้องอาศัยทุกข์กับสมุทยัยเป็นที่เหยียบย่างไปด้วยมรรคเครื่องดำเนิน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 สนิทกับสัจธรรมอยู่มากกว่าวงอื่นๆที่ควรจะรู้จะเห็นได้ก่อนใครหมดวงนอกจากนี้แม้จะมีสัจธรรมประจํากายประจําใจด้วยกันก็จริงแต่ยังห่างเหินต่อการพิจรารณาอันเป็นทางรู้แจ้งผิดกันเนื่องจากเพศและโอกาสที่จะอํานวยต่างกันเพราะพระธุดงค์ขกรรมฐานซึ่งพร้อมทุกอย่างแล้วในการดําเนิน และเดินก้าวเข้าสู่ความจริงที่ประกาศอยู่กับตัวทุกเวลาถ้าท่านเป็นเลือดนักรบสมนามที่ศาสดาทรงขนานให้ว่าสักยาบุตรพุทธะชิโนรสจริงๆแล้วท่านจงพยายามพิจารณาให้รู้แจ้งสัจจะคือทุกข เ, เวทนาที่กำลังประกาศตัวอยู่อย่างจงแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่านเวลานี้อย่าให้ทุกข เ, เวทนาและการเวลาผ่านไปเปล่า ขอให้ยึดความจริงจากทุกขเวทนาขึ้นสู่สติปัญญาและตีตราประกาศฝังใจลงอย่างแน่นหนาแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าความจริงสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ตลอดมานั้นบัดนี้ทุกขสัตว์ได้แจ้งประจักษ์กับสติปัญญาเราแล้วไม่มีทางสงสัยนอกจากจะพยายามเจริญให้ความจริงนั้นๆเจริญยิ่งขึ้นโดยลําดับจนหายสงสัยโดยสิ้นเชิงเท่านั้น ถ้าท่านพยายามดังที่ผมสั่งสอนนี้แม้ใครในกายท่านจะกำเริบรุนแรงเพียงไรท่านเองจะเป็นเหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรคือใจท่านมิได้ไหวหวั่นสั่นสะเทือนไปตามอาการแห่งความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายนั่นเลยมีแต่ความภาคภูมิใจที่สัมผัสสัมพันธ์กับความที่ได้รู้แล้วเห็นแล้วโดวยสม่ำเสมอไม่แสดงอาการลุ่มๆุมดอนดอน เราะคากำเริบหรือคข้สงบตัวลงแต่อย่างใดนี่แหละคือการเรียนธรรมะเพื่อความจริงปราท่านเรียนกันอย่างนี้ท่านมิได้ไปปรุงแต่งเวทนาต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการเช่นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตามชอบใจซึ่งเป็นการสั่งสมสมไทยัยให้กำเริบรุนแรงยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นไปตามใจชอบ ท่านจงจำไว้ให้ถึงใจพิจารณาให้ถึงอัฏฐถึงธรรมะคือความจริงที่มีอยู่กับท่านเองซึ่งเป็นฐานะที่ควรรู้ได้ด้วยตนเองแต่ละรายแต่ละรายผมเป็นเพียงผู้แนะอุบายให้เท่านั้นส่วนความเก่งกาจอาจหารหรือความล้มเหลวใดๆนั้นขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาโดยเฉพาะผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเอานะท่าน จงทําให้สมหน้าสมตาที่เป็นลูกศิษย์มีครูสั่งสอนอย่านอนเป็นที่เช็ดเท้าให้กิเลสขึ้นย่ำยีตีแผ่ได้จะแย่และเดือดร้อนในภายหลังจะว่าผมไม่บอกท่านเล่าว่าพอท่านเทศให้เราแบบพายุบุกแคมอยู่ภาคใหญ่แล้วก็หนีไปเราเองรู้สึกตัวจะลอยเพราะความปีติยินดีและตื่นตันในโอวาทที่ฉลาดแหลมคม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 คือความคิดปรุงแต่งต่างๆออกเป็นขันหนึ่งและแยกจิตออกเป็นพิเศษส่วนหนึ่งและพิจารณาเทียบเคียงหาเหตุผลต้นปลายของตัวทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่ในกายอยู่อย่างชุลมูลวุ่นวายโดยมิได้มีกำหนดว่าทุกข์จะดับเราจะหายหรือทุกข์จะกำเริบเราจะตายแต่สิ่งที่หมายมั่นปั้นมือจะให้รู้ตามความมุ่งหมายเวลานั้น คือความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือทุกขัตย์ว่าเป็นอะไรกันแน่ทำไมจึงมีอำนาจมากสามารถทำจิตใจของสัตว์โลกให้สะเทือนวันไหวได้ทุกตัวสัตว์ไม่ยกเว้นว่าเป็นใครเอาเลยทั้งเวลาทุกแสดงขึ้นธรรมดาเพราะความกระทบกระเทือนจากเหตุต่างๆทั้งแสดงขึ้นในวาระสุดท้าย ตอนโยกย้ายพบภูมิไปสู่โลกใหม่ภูมิใหม่สัตว์ทุกท่วนหน้ารู้สึกหวั่นเกรงกันนักหนาไม่มีรายใดหารสู้หน้ากล้าเผชิญนอกจากทนอยู่ด้วยความหมดหนทางเท่านั้นถ้าสามารถหลบหลีกได้ก็น่าจะหลบไปอยู่คนละมุมโลกเพราะความกลัวทุกตัวเดียวนี้เท่านั้นเราเองก็นับเข้าในจำนวนสัตว์โลกู่ขี้ขาดหวาดกลัวทุกจะปฏิบัติตัวอย่างไร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 แล้วเราไม่รู้แจ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจแม้จะตายไปกับที่นั่งภาวนานี้เราก็ยอมแต่จะไม่ยอมลุกจากที่ให้ทุกขเวทนาหัวเราะเยอ้ยอยันเป็นอันขาดนับแต่ขณะนั้นสติปัญญาทำการแยกแยะห้ามหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายเข้าว่าระหว่างสงครามของจิตกับทุกขเวทนาต่อสู้กันอยู่เวลานั้นกินเวลาห้าชั่วโมง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 เพราะอำนาจการพิจารณาแล้วใครได้หายไปแต่บัดนั้นไม่กลับมาเป็นอีกเลยจึงเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไรข้อนี้สำหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่คัดคา้านเพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้วผลก็เป็นแบบเดียวกับที่ท่านพูดให้ฟังไม่มีผิดกันเลยจึงทำให้สนิทใจตลอดมาว่าธรรมโอสถ สามารถรักษาโรคได้อย่างลึกลับและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้โดยมากพระธุดงคกข้าฐานท่านชอบพิจารณาเยียวยาธาตุขันของท่านเวลาเกิดโรคเกิดภัยแค้เจ็บอย่างเงียบๆโดยลำพังไม่ค่อยระบายให้ใครฟังง่ายๆนอกจากวงปฏิบัติ ด, ด้วยกันและมีนิสัยคล้ายคลึงกันท่านจึงสนทนากันอย่างสนิทใจ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 ท่านพักอยู่ภูเขาแถบจังหวัดสกล น, นครซึ่งเป็นที่ชุมชุมด้วยไข้ามาลาเรียหลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่มไข้จับสันขึ้นในทันทีทันใดพะาหมกี่ n ื้นก็มีแต่หนักตัวเปล่าเปล่าหาความอุ่นไม่มีเลยท่านจึงสั่งให้งดการบำบัดหนาวทั้งภายนอกจะบำบัดทางภายในด้วยธรรมะดังที่เคยได้ผลมาแล้วและสั่งให้พระหลีกจากท่านไปให้หมด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 จนร่วมหกโมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนาด้วยความเบากายเบาใจไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยใค้ก็หายขาดจิตก็ปราดเปรื่องหรือเรื่องในองค์ท่านและอยู่ด้วยวิหารธรรมเรื่อยมาจนปัจจุบันท่านเป็นพระที่อจหารเฉียบขาดทางความเพียรมากยากจะหาผู้เสมอได้องค์หนึ่งแม้อายุจะก้าวเข้าแวดชราแล้ว แต่การทําความเพียรยังเก่งกล้าสามารถเสมอมาไม่ได้ลดละเดินจงกรมแต่ละครั้งตั้งห้าหกชั่วโมงจึงหยุดพักแม้แต่พระหนุ่มๆยังสู้ท่านไม่ได้นี่แหละความเพียรของพระท่านต่างกับพวกเราอยู่มากซึ่งคอยแต่จะคว้าหาหมอนเอาท่าเดียวประหนึ่งหมอนเป็นสิ่งประเสริฐเลิศกว่ามรรคผลนิพพานเป็นไหนๆคิดดูแล้วน่าอับอายตัวเอง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 มักจะมาหาท่านแทบทุกครั้งที่นึกถึงเขาคล้ายกับมีอะไรไปบอกคขาให้สัตว์นั้นนันทราบและให้มาหาท่านราวิเศษทางภายในอย่างท่านคงมีเทพาอารักคอยให้อารักขาและคอยอำนวยความสะดวกตามความคิดเห็นต่างๆอยู่เสมอพอคิดอะไรขึ้นมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบทางความคิดเสมอมาถ้าไม่มีทาไมจะมีอะไรมาหาท่านตรงตามความคิดเสทุกครั้งเช่นนั้น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 เพื่อวิบากขันจะได้สืบต่อกันไปเท่าที่ควรและเพื่อทำประโยชน์แก่โลกที่ควรได้รับซึ่งมีอยู่มากมายปกติหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมทำความเพียรราวหนึง่งสองชั่วโมงแล้วออกจากทางจงกรมเข้าห้องพักและทำภาวนาต่อไปจนถึงบ่ายสองโมงถ้าไม่มีธุระอื่นๆก็เข้าทางจงกรม ทำความเพียรต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัดท่านถึงจะออกมาจากที่ทำความเพียรหลังจากส่งน้ำเสร็จก็เข้าทางจงกรมและเดินจงกรมทาความเพียรต่อไปถึงสี่หรือห้าทุ่มจึงหยุดแล้วเข้าที่สวดมนต์ภาวนาต่อไปจนถึงเวลาจำวัดและพักผ่อนร่างกายราวสามนาฬิกาหรือเก้าทุ่มเป็นเวลาตื่นจากจาวัด และทําความเพียรต่อไปจนถึงเวลาโคจรบินทบาตจึงออกบินทบาตมาฉันเพื่อบำบัดกายตามวิบากที่ยังรองอยู่นี่เป็นกิจวัตรประจําวันที่ท่านจําต้องทํไมิให้ขาดได้นอกจากมิธุระจาเป็นอย่างอื่นเช่นถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆก็มีขาดไปบ้างท่านผู้มีคุณธรรมสูงขนาดนี้แล้วท่านไม่หวังความสุขรื่นเรงจากอะไร ยิ่งกว่าความสุขเรื่นเริงในธรรมะภายในใจโดยเฉพาะท่านมีความเป็นอยู่อันสมบูรณ์ในธรรมะภายในอยู่ในท่าอิริยาบทใดใจก็มีความสุขเสมอตัวไม่เจริญขึ้นและเสื่อมลงอันเป็นลักษณะของโลกที่มีความเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่กันทั้งนี้เพราะท่านมีใจดวงเดียวที่บริสุทธิ์สุดส่วนมีธรรมะแท่งเดียวเป็นเอกภาพ